แว่วเล่ม 1 โดยพรรัตนสุวรรณคำนำเรื่องแว่วเสียง หลักการที่ 1 2509 ไป 2510 เรื่อง 2516 เพราะเหตุที่เรื่องนี้ยาวมาก ฉะนั้น 3 หรือ 4 เล่มผู้ที่จะอ่านหนังสือเล และคําตอบต่างๆที่นํามาลงในหนังสือเล่ม ก็ควรจะไปเปิดดูในเล่ม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 ละเรื่องโลกทิพย์ประกอบด้วยพร 10 2516 สำนัก 47 คว้า 2 ถนนบางลำพูกรุงเทพมหานครโทรศัพท์ 02 282 2025 เข้าตรอกๆ